รู้ว่าลมผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนับให้เข้าข่ายเป็นองค์ที่หนึ่งของโพชงได้แล้วกำลังสติแบบเก่าผุดขึ้นสะท้อนด้วยสภาพรู้ชัดตรงตามจริงว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแสดงว่าสติไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่หลบใน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 ธรรมชาติเกิดดับนั้นปรากฏ ต, ตลอดเวลาต่อเมื่อจิตเข้ามาพิจารณาจึงรู้เห็นและกลายเป็นองค์ที่สองของพชอชงคือธรรมวิจัยไปเมื่อประคองความเห็นลมเกิดดับจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นวิริยะอันเป็นองค์ที่สามของพ่อชงนานระยะหนึ่งก็บังเกิดความเบิกบาน อันเป็นองค์ที่สี่ของพ่อชงยังผลต่อเนื่องให้กายใจก็สงบ ป, ประณีตอ่อนสลวยอันเป็นองค์ที่ห้าของพ่อชงฉันมีสุขล้ำลึกเสียแต่ยังเห็นจิตกระเพื่อมง่ายมีหมอกมัวฝ้าฟางมาห่อหุ้มเร็วอยู่จึงยังไม่ถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิบริบูรณ์อันเป็นองค์ที่หกของพ่อชง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 ว่าอย่างนี้แย่เลยเจริญสติก็เพราะหวังหลุดพ้นอยากได้มรรคผลกับเขาบ้างแต่ตัวหวังตัวอยากนั่นเองก็กลายเป็นเครื่องขวางไปเสอีกช่างไม่เหมือนวิชาหรือการงานทางโลกที่อนุญาตให้ส่งแรงอยากทุ่มเทกายใจให้ไปถึงความสําเร็จยิ่งอยากมากทุ่มมากก็ยิ่งใกล้เคียงความจริงมากแต่มรรคผลเนี่ยเป็นตรงข้ามเลยยิ่งอยากเท่าไหร่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 แต่เมื่อมีความเพียรพยายามเอามักผลเพื่อชั้นเสียแล้วก็เป็นอันจบกันขัดแย้งเป็นงูกินหางตั้งแต่เริ่มสรุปคือฉันกําลังอยากละอัตตาแต่กําลังทุกข์หนักเพื่ออัตตาเพราะไม่สามารถละอัตตาได้เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าวฉันจึงรู้ตัวแล้วว่ากําลังยืนอยู่ผิดจุด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 ก็ลืมตาโพล่งท่านให้รู้เท่าทันว่ากำลังสวยทุกชนิดมีหรือไม่มีเหยื่อล่อแบบโลกโลกรวมทั้งเปรียบเทียบด้วยว่าทุกแบบไหนอยากหรือประณีต ก, กว่ากันทุกขเวทนาแบบที่ฉันกำลังประสบเป็นทุกแบบไม่มีเหยื่อล่อทางโลกมาเกี่ยวข้องแต่มีความอยากหลุดพ้นจากบ่วงกิเลสมาเป็นเครื่องล่อให้ทุกข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 อันเกิดแต่การสแสวงทางหลุดจากบ่วงกรรมสิ่งที่พระองค์แนะนำคือให้ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอิงอาศัยก่อนก็ อ, อุเบกขาเช่นเห็นลมหายใจเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดานั่นแหละคือเครื่องอิงอาศัยของใจกระทำใจให้ปลีกตัวออกมาเสด จ, จากความอยากได้มรรคผล ฉันลองนั่งลงกำหนดรู้ลมโดยความเป็นของเกิดดับกระทั่งใจว่างจากทุกข์แล้วอาศัยอุเบกขาในความเห็นลมหายใจเกิดดับแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมใหม่ปล่อยให้ความอยากได้มักผลเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเวลาต่อมาก็เห็นความทุกข์อย่างชัดเจนคือมีสภาพอึดอัดคาอกเล็กน้อยแต่ปักหลักยืดเยื้อเหมือนกลุ่มผู้ประท้วงที่มีการศึกษา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 จุดใหญ่ใจความคือมีสติรู้ทุกขเวทนาในปัจจุบันขณะนั่นเองทุกขที่ละเอียดต้องการสติที่ละเอียดสมน้ําสมเนื้อกันที่ตอนแรกฉันรู้ว่ากําลังทุกขเพราะอยากได้มาผลแต่ไม่เห็นความดับไปของทุกขก็เพราะยังไม่ใช่สติเห็นทุก์จังๆแต่เป็นสติแบบครึ่งๆกลางๆเท่านั้นต่อเมื่อรับทราบว่า